ห้าโกประเทศและภาษาคุณ o <こ>言語จอห์นมาจากลอนดอนจอห์นว่าลอนดอน出身ですลอนดอนอยูンン่ในประเทศอังกฤษ ロンドンはイギリスにありますษมีอยーーーู่เขาพูดภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาอドงกฤはเขาพูดภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาอังกฤษเขาพอัูเเาเเอพูดภาษาเ 彼女はスペイン語ป話しますピーターีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลินปีเตอร์และมาすベルリンนคนจากเบอเบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมมันยทอันเบอรูเยอรมมันใ่ัย あなたたちは二人ともドイツ語を話しますか？ロンドンは首都です。マドリッドとベルリンも首都です。城市は大きくてうるさいです。 ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรปประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกาประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชีย ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือแคนาดาว่าเหนือประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลางปานามาว่ากลางประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้บราซิลว่าใต้